26พราหมณวัคหมวดว่าด้วยพราหมณ์ 1. ภาษาท่พระหูและพราหมณวทุเรื่องพราหมณ์ผู้เลื่อมใสามากพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้พราหมณ์เธอจงพยายามตัดกระแสให้ขาดจงบรรเทาความทั้งหลายให้ได้เธอรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้ว ก็จะรู้แจ้งสภาวะที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ 2. สองสามพหุละพิขุวัตุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัพระคาฐานี้แก่ภิกษุส0สรูปดังนี้เมื่อใดพรามเป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งสองเมื่อนั้นสังโยคะทั้งหมดของเขาผู้รู้อยู่ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ 3. ม, มารวัตถุเรื่องมารพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสระกนานี้แก่มารผู้ถามเรื่องฝั่งดังนี้ผู้ใดไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งโน้นหรือไม่มีทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเราเรียกผู้นั้นซึ่งปราศจากความกระวนกระวายปลอดจากกิเลสแล้วว่าพรามสอัญญตระพรามนวัตถุ เรื่องพรามคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสพระคถานี้แก่พรามผู้ถามเรื่องพรามดังนี้ผู้เพ่งพินิจปราศ จ, จากทุลีอยู่ตามลาพังทมกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพรามณ์ 5. อ น, นันทเทระวัตถุเรื่องพระอานนทเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่พระอนุเทระดังนี้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนกระสัตย์ทรงเครื่องรบแล้วจึงสง่างามพรามเพ่งพินิจจึงสง่างามแต่พระพุทธเจ้าทรงสง่างามด้วยพระเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน 6. อัญญะตะระ ปพระจิตวัตถุเรื่องบรรปชิตรูปใดรูปหนึ่งนักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งถามพระผู้มีพระภาคเรื่องบรรปชิตพระองค์จึงตรัสพระคถาดังนี้ผู้ที่ลอยบาปได้เราเรียกว่าพรามเพราะประพฤตสงบเราเรียกว่าสมณนะฉะนั้นผู้ที่กำจัดมนทินของตนให้หมดไปได้ เราจึงเรียกว่าบรรพชิตเจ็ดสารีบุตรเทระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเทระพระผู้มีพระภาคทรงปราบรพระสารีบุตรซึ่งถูกพราหมณ์ทำร้ายจึงตรัสพระคถ า, านี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้พราหมณ์ไม่พึงทำร้ายพราหมณ์ไม่พึงจองเวรพราหมณ์ผู้ทำร้ายนั้นหน้าตำหนิพราหมณ์ผู้ทำร้ายพราหมณ์ พราหมที่จองเวรตอบนั้นน่าตาหนิยิ่งกว่าข้อที่พราหมห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายได้เป็นความประเสริฐไม่น้อยเลยใจที่มีความเบียดเบียนกลับจากวัตถุใดๆความทุกข์ก็ย่อมสงบระ ง, งับจากวัตถุนั้นๆ 8. มหาปชาปฏีโคตมีวัตถุเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุณีทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มีกรรมชั่วทางกายวาจาและใจสำรวมระวังได้ครบทั้งสามทวารเราเรียกว่าพรามณก้าสารีบุตตเทรวัตถุเรื่องพระสารีบุตเถระพระผู้มีพระภาคทรงปรารพระสารีบุตนอบน้อม ท, ทิที่พระอัศจิเถระอยู่ จึงตรัสพระคถานี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้บุคคลรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดควรนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมไฟที่บูชาฉะนั้น 10. ชดินและพรามนวัตถุเรื่องพรามชดินพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พรามฉดินผู้ถามเรื่องพราม์ดังนี้ คนเป็นพราหมณ์ไม่ใช่เพราะกล่าวชดาไม่ใช่เพราะโคดไม่ใช่เพราะชาติกําเนิดแต่สัจจะและธรรมมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นเป็นพราหมณ์11กุหกะพราหมนวัตถุเรื่องพราหม์โกหกพระผู้มีพระภาคทรงปรารลบพราหมณ์โกหกมีวัดดังข้างข่าว ตรัพระคถ า, านี้แก่พิกษุทั้งหลายดังนี้เจ้าคนมีปัญญาสามการกล่าวชดาการครองหนังเสือจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้าภายนอกของเจ้าเปล่งปลัง่งเกลี้ยงเกลาแต่ภายในของเจ้ารกกรุงรังสิบสองกิสาโคตมีวัตถุเรื่องนางกิสาโคตมี พระผู้มีพระภาคทรงปรารบนางกิสาโคตมีจึงตรัสพระคถานี้แก่เท้าสักกะจอมเทพดังนี้ผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลสู้พร้อมมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วร่างเพ่งพินิจอยู่ในป่าผู้เดียวเราเรียกว่าพรามสิบสามอัญญะตระพรามนวัตถุเรื่องพรามคนใดคนหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พราหม์คนหนึ่งดังนี้เราไม่เรียกบุคคลผู้ถือกําเนิดเกิดในคันมารดาว่าพราหมณ์ถ้าเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโพวาทีเท่านั้นเราเรียกผู้หมดกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นว่าพราหมณ์ 14. อุกคเสนาวัตถุเรื่อง นายอุคเสณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ตัดสังโยดได้หมดสิ้นไม่สะดุง้งผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพรามสิบห้าเทวพรามนวัตุเรื่องพรามสองคน พระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พิสุประมาณห0 0รูปดังนี้ผู้ตัดชนะเชือกหนังและเงื่อนพร้อมทั้งสายรัดได้ถอดลิ่มสลักเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพรามณ์ 16. กอโกสกะพารัวาชะวัตถุเรื่องอกโกสกะพารวาวัรกกการวาชะพราม พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั่นคำดา่าการฆ่าและการจองจำได้มีขันติเป็นพลังมีขันติเป็นกําลังพลเราเรียกว่าพรามสิบเจ็ดสารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัพระคาานี้แก่พิสุท์ทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มักโกรธมีศีลมีวัดไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้นฝึกตนได้แล้วมีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าพรามณ์ 18. อุปละวันนาเทรีวัตถุเรื่องพระอุบลวันนาเทรี พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลายเหมือนน้ําไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์19อัญญตระพราหมณ์วัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พราหมณ์คนหนึ่งดังนี้ ผู้ใดในศาสนานี้รู้ชัดความสิ้นทุกของตนปลงภาระได้แล้วปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพรามณ์สเขมาพิกุณีวัตถุเรื่องพระเขมาภิกษุณีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่เท้าสักกะจอมเทพและเทวดาทั้งหลายดังนี้ผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราฏ ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพรามณ์21ิบเปรารวาสีติสะเทระวัตถุเรื่องพระติสะเทระผู้อยู่ที่เงื้อมเขาพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่คลุกคลีกับคนสองจำพวกคือขรหัสและบรรปชิต ไม่มีความอาลัยเที่ยวไปมีความปรารถนาน้อยเราเรียกว่าพราหมณ์22อัญญะตะพิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดละวางโทษทันในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังวาสดุง้งและสัตว์ที่มั่นคงไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้คนอื่นค่าเราเรียกผู้นั้นว่าพรามณ์23สามนเณรวัตถุเรื่องสามนเณรพระผู้มีพระภาคตรัพะคถานนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มุ่งร้ายในหมู่คนผู้มุ่งร้ายผู้สงบในหมู่คนผู้ชอบหาเรื่องใส่ตนผู้ไม่ถือมั่นในหมู่คนผู้ถือมั่นเราเรียกว่า พราหมณ์24มหาปันทกะเทระวัตถุเรื่องพระมหาปันโทกเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถ า, านี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดทำ ร, ราคะโทสะโมหะมานะและมักขะให้ตกไปเหมือนเมล็ดพันุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ยีสิห้า ปิลินทวัชเทระวัตถุเรื่องพระปิลินทวัชเทระพระผู้มีพระภาคกรับพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้กล่าวคำที่ไม่หยาบคายสื่อความหมายได้เป็นคำจริงไม่เป็นเหตุให้ใครๆขัดเคืองเราเรียกว่าพรามณ์26อัญญะตะพิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไม่ว่ายาวหรือสั้นเล็กหรือใหญ่งามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าพรามณ์2สสารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดไม่มีความหวังในโลกนี้และโลกหน้าปราศ จ, จากความหวังปราศ จ, จากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพรามณ์28มหาโมคคลานวัตถุเรื่องพระมหาโมคคลานะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ผู้ใดไม่มีความอาลัยหมดความสงสัยเพราะรู้ชัดอย่างลงสู่อมตะบรรลุแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าพรามณ์29เรวัตเถระวัตถุเรื่องพระเรวตเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปทั้งสองได้ พ้นจากกิเลสเครื่องค้องได้ไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกผู้นั้นว่าพรามสามสิบจันทาพระเทรวัตถุเรื่องพระจันทาพระเถระพระผู้มีพระภาคตัดพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์แจ่มมีจิตผ่องใสไม่ขุนมัว เป็นผู้สิ้นความเพลิดเพลินในภพเราเรียกว่าพรามมส์ 31. สีวลีเทระวัตถุเรื่องพระสีวลีเทระพระผู้มีพระภาคตรัพระคาธานีแค่ภิกษุททั้งหลายดังนี้ผู้ใดก้าวพ้นทางอ้อมทางลมสงสารและโมหะได้แล้วข้ามไปถึงฝั่งแล้วเจริญฌานไม่หวั่นไหวหมดความสงสัย ดับเย็นเพราะไม่เถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าพรามมส์ 32. สุนทรสมุทเถระวัตถุเรื่องพระสุนทรสมุทเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละกามได้แล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้สิ้นกามและพบเราเรียกผู้นั้นว่าพราม 33. ชดินละวัตถุเรื่องพระชะดินละเทระพระผู้มีประภาคตรพระคาถานีแ้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละตันหาได้ขาดออกบวชเป็นบรรปะชิตเป็นผู้สิ้นตันหาและพบเราเรียกผู้นั้นว่าพรามมณ์34โชติกะเทระวัตถุเรื่องพระโชติกะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้ขาดออกบวชเป็นบนรรณชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและพบเราเรียกผู้นั้นว่าพรามมณ์ 35. ปฐมมะนตตปุพพกะเทระวัตถุเรื่องพระเทระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่หนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ได้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากโยคะทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์36ทุติยนน ต, ตะบุพกะเทระวัตถุเรื่องพระเทระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่สอง พระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ละทั้งความยินดีและความไม่ยินดีเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปธิกิเลสครอบงำโลกทั้งหมดเป็นผู้กแกล้วกล้าเราเรียกว่าพราหมณ์ 37. วังคีสะเถระวัตถุเรื่องพระวังคีสะเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่ติดข้องไปดีแล้วและตรัสรู้แล้วว่าพรามผู้ใดมีคติที่เทวดาคนทันและมนุษย์ก็รู้ไม่ได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นอรหันตขีนาศว่าพรามมณ์38 ธรรมทินนาเทรีวัตุเรื่องพระธรรมทินนาเทรีพระผู้มีพระภาคตรัพระคฐานี้แก่วิสาขาอุบาสกอดีตสามีของพระธรรมทินนาเทรี ด, ดังนี้ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าพราม 39ม้าอังคุลิมาลเทระวัตถุเรื่องพระองคุลิมาเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้ผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ชำนะแล้วผู้ไม่หวั่นไหวผู้ชำระแล้วและตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพราม เทวหิตะพราหมณวัตถุเรื่องเทวหิตะพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสรัคถานี้แก่เทวหิตะพราหมณ์ดังนี้ผู้ใดระลึกอดิตชาติได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดหมดภารกิจเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราเรียกผู้นั้นว่า พรามพรมนักวักที่2ี่กจบรวมวักในธรรมบท 1. ยมกะวักสอัอปมาทะวักสาจิตตะวักสีปุพหวักห้าพาละวักห 6. ปันติตะวักค์ 7. อรหันตะวักค์ 8. สหัสสะวัก 9. าปาปวักสทันทวักสชราวัก2อัตวักส 13. โลกวักสพุทธวัก5สุขวัก6ปิยวัก7โกทวักสมละวัก9ธรรมัตวัก 20. มัคคะวัค21ปักินนะกะวัค22นิระยาะวัค23นาคาวัค24ตันหาวัค 25. ภิพิกขุวัคยี่พรามณวัครวมเป็น26วสกวคอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้ว รวมพระคาถาในธรรมบทย่มะกะวักมียี่สิบคาถาอปมาทวักมีสิบสองคาถาจิตตะวักมีสิบคาถาปุพะวักมีสิบคาถาพาละวักมีสิบหกคาถาปันทิตะวักมีสิบสี่คาถาอารหันตะวรคมีสิบคาถาสหัสตะวักมีสิบคาถา ปาประวักมีสิบสามคาถาทันทวักมีสิบเจ็ดคาถาชราวักมีสิอคาถาอัตวักมีสิบคาถาโลกะวักมีสิบสองคาถาพุทธวักมีสิบแปดคาถาสุขวักมีสิบสองคาถาปิเยวักมีสิบสองคาถาโกทวักมีสิบสี่คาถา มาะวักมียีาา่สิบคาถาธรรมทวักมีสิบเจ็ดคาถามัคคะวักมี17เคาถาปคกินนกกะวคกมี1 6คาถานิระยะวักมี14คาถานาคะวักมี14คาถาตันหาวักมี26คาถาภิกุวักมี23าคาถาพรามนาักวคกมี 41คาถารวมพระคาถาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงไว้ในนิบาทในธรรมบทนี้423พระคาถาธรรมบทจบ สุตันตปิดกขุตกนิกายอุทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งโพธิวัครหมวดว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้หนึ่งปรถมมโพธิสูตรว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้สูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดวสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทำที่อาศัยกัรเกิดขึ้นโดยอนุโลมอย่างละเอียดตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะนจึงมีเพราะสลายตะนเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัย ชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดแล ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุปฐมมัพโพธิสูตรที่หนึ่งจบ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 เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาจึงดับกองทุกทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน เมื่อใดแล่ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายทุติยะโพธิสูตรที่สองจบสตติยะโพธิสูตรว่าด้วยเหตุการณ์แรกตัดสุรูสูตรที่สาข้าพเจ้าได้สระดับมาอย่างนี้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 อย่างละเอียดตลอดมชัชมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 ชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมณตปุบายาจึงดับกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดแลทาทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น พราหมนั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสี็ได้ดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นาสาสองทองฟ้าให้สว่างสวยัยฉะนั้นตติยะโพธิสูตรที่สจบ นิหุหุงกระสูรว่าด้วยผู้ไม่ตวาดว่าเหอะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกประสรู้ประทับอยู่ณนควงต้นอาชปารานิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบรลังเดียวสวยวิมุติสุขอยู่เป็นเวลาเจดวัน ครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคก็ทรงออกจากสมาธินั้นครั้งนั้นพรามหมูหูประาติผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรพราหมนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคโดมผู้เจริญ บุคคลชื่อว่าเป็นพรามด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอและทมเหล่าไหนที่ทำบุคคลให้เป็นพรามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานพรามใดลอยบาปทำได้แล้วไม่ตะวาดผู้อื่นว่าเหอะเหอไม่มีกิเลสดูดน้ำฝาดสำรวมตนเรียนจบเวท อยู่จบพรหมจันทร์พรามนั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไหนๆนในโลกควรกล่าวพรหมวาทะได้โดยธรรมนิหูหุงกระสูที่สจบ 5. พรามนาสูตรว่าด้วยความเป็นพรามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระมหากัสปะท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหาโกติตะท่านพระมหากปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตตะและท่านพระนันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านเหล่านั้นกาลังเดินมาแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรามเหล่านั้นกำลังมาภิกษุทั้งหลายพรามเหล่านั้นกำลังมาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเป็นพรามโดยกาเนิดรูปหนึ่งเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพรามด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอและทาเหล่าไหนที่ทําบุคคลให้เป็นพรามพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลเหล่าใดลอยบาปทาได้แล้วเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อมีสังโยชนสิ้นแล้ว เป็นผู้ตรสัสรู้บุคคลเหล่านั้นแหลชื่อว่าพรามในโลกพรามนาสูที่ห้าจบ 6. มหากัศสปะสูตรว่าด้วยพระมหากัศสปะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันกลันตกะนิวาปสถานเคครุงราชครุสมัยนั้น ท่านพระมหากะสปะอยู่ที่ถ้ำปิดผลิคูหาอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระมหากะสปะหายจากอาพาธนั้นแล้วมีความคิดดังนี้ว่าเอาละเราควรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชครืสมัยนั้นแหลเทวดาประมาณห0 0องค์ถึงความขนขวายเพื่อให้ท่านพระมหากะสปะได้บิณฑบาต ท่านพระมหากรสปะห้ามเทวดาประมาณ500องค์นั้นแล้วในเวลาเช้าครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาตยังกรุงราชครืตามทางที่อยู่ของคนจนที่อยู่ของคนกำมพระและที่อยู่ของช่างหกพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสปะกำลังเที่ยวบินทบาทตามทางที่อยู่ของคนจนที่อยู่ของคนกัพระและที่อยู่ของช่างหู ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ไม่เลี้ยงคนอื่นผู้รู้จักตนดีผู้ฝึกฝนตนได้แล้วดำรงมั่นอยู่ในสารธรรมผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้คลายโทษได้แล้วเราเรียกว่าพรามมหากัสปะสูตรที่หจบ อาชากลาป ะ, ะสูตรว่าด้วยอาชากลาป ะ, ะยักษ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอาชากลาปะเจดีอันเป็นที่อยู่ของยักษ์ชื่อว่าอาชากลาป ะ, ะเคกรุงปาวาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณที่แจ้งในความมืดมิดแห่งราตรี และฝนก็โปรยละ อ, องอยู่ครั้งนั้นอาชะกลาปะกะยักษ์ประสงค์จะให้พระผู้มีพระภาคเกิดความกลัวหวาดวันขนพองสยองกล้าวจึงเข้าไปหาถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นสามครั้งณนะที่ใกล้พระผู้มีพระภาคว่าอากุโลปั ก, กุโลแล้วพูดว่าสมณะนั่นปีศาสตร์ปรากฏแก่ท่าน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงส่งเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดบุคคลถึงฝั่งในธรรมของตนชื่อว่าเป็นพรามเมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่กลัวปีศาจและเสียงรอง้องโหอยหวนอย่างนี้อาชชกลาปะกะสูตรที่เจ็จบ 8. สังคามชจิสูตร ว่าด้วยพระสังฆามิจิเทระเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวถีสมัยนั้นท่านพระสังฆามิจิเดินทางมาถึงกรุงสาวถีโดยลําดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอดีตปัญญาของท่านพระสังฆามิจิได้ฟังข่าวว่า ทราบว่าพระคุณเจ้าสังฆามาชิถึงครูงสาวัตถีโดยลำดับแล้วนางจึงอุ้มลูกน้อยไปยังพระเชตวันสมัยนั้นท่านพระสังฆามาชินั่งพักกลางวันอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นอดีตพัญญาของท่านพระสังฆามาชิเข้าไปหาถึงที่พักเรียกล่าวกับท่านพระสังฆามาชิดังนี้ว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิด เมื่อนางกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสังฆามิชยได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองนางก็เดียกล่าวกับท่านพระสังฆามิชยดังนี้ว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิดท่านพระสังฆามิชยก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามนางก็เดียกกล่าวกับท่านพระสังฆามิชยดังนี้ว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิด ท่านพระสังฆามชิก็ได้นิ่งอยู่ครั้งนั้นอดีตพัญยาของท่านพระสังฆามชิจึงอุ้มลูกน้อยนั้นไปวางไว้ข้างหน้าท่านพระสังฆามชิแล้วเดินหนีไปโดยพูดว่าสมณะนั่นลูกของท่านจงเลี้ยงดูลูกนั้นด้วยเถิดครั้งนั้นท่านพระสังฆามชิทั้งไม่แลดูและไม่พูดกับเด็กน้อยนั้นเลย ขณะนั้นอดีภัญญาของท่านพระสังฆามิจิไปแอบดูอยู่ในที่ไม่ไกลนักได้เห็นท่านทั้งไม่แลดูและไม่พูดกับเด็กน้อยนั้นจึงคิดว่าสมณะนี้คงไม่ต้องการลูกน้อยจึงกลับออกจากที่นั้นแล้วอุ้มลูกน้อยเดินไปพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นอดีพัญญาของท่านพระสังฆามจิแสดงอาการแปลกอย่างนั้นด้วยทิพะยะจักษุอันบริสุทธลวงจักษุ ข, ของมนุษย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ไม่ใยดีอดีพัญญาผู้มหาไม่เศร้าโศกถึงอดีตพัญญาผู้จากไปเราเรียกผู้ชนะสงครามผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องแล้วว่าพรามสังคามชิสูที่8จบ 9. ชดินละสูตร ว่าด้วยพวกชดินเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนขยาศีสะบันพศใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นเป็นฤดูหนาวมีหิมะตกแปดวันในช่วงกลางคืนอากาศหนาวเหน็บชดินจำนวนมากผุดขึ้นบ้างดำลงบ้างทั้งผุดขึ้นและดำลงบ้างรดน้าบ้างบูชาไฟบ้าง ที่แม่น้ำขยาด้วยคิดว่าด้วยวิธีนี้จะบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชะดินจำนวนมากผุดขึ้นบ้างดำลงบ้างทั้งผุดขึ้นและดำลงบ้างรดน้ำบ้างบูชาไฟบ้างที่แม่น้ำขยาด้วยคิดว่าด้วยวิธีนี้จะบริสุทธิ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า พุทธอุทานบุคคลจะเป็นผู้สะอาดเพราะน้ำที่คนจํานวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ผู้ใดมีสัจจะและธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นชื่อว่าเป็นพรามเชดินละสู่ที่เก้าจบ พาหิยะสูตรว่าด้วยพระพาหิยะเถระข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขครงสาวทีครั้งนั้นบุรุษชื่อพาหิยะทารุจิริยะอาศัยอยู่ณนะท่าสุปปารกะใกล้ฝั่งทะเล มีคนจำนวนมากพากันสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมจึงได้จีวอนบินบาเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศัศบริคารครั้งนั้นเมื่อพาหิยะทารุจิริยะอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่เกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนในโลกที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอรหัตตมักคราวนั้น เทวดาที่เป็นญาสาวโลหิตในปางก่อนของเขามีปกติอนุเคราะห์ปรารถนาจะให้เกิดประโยชน์ได้ทราบความคิดคำนึงของเขาจึงเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ได้พูดดังนี้ว่าพาหิยะ ah ท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคเลยแม้ปฏิปทาที่จะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคของท่านก็ไม่มีพาหิยะ ah ทารุจิริยะจึงถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมัคในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเทวดานั้นตอบว่าพาหิยะในชนบททางเหนือมีเมืองชื่อว่าสาวัตถีพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่นั้นพาหิยะ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นภาหิยะทารุจิริยะถูกเทวดานั้นทำให้สังเวทแล้วจึงหลีไปจากท่าสุ ป, ปารากะในธันใดนั่นเองไปยังเมืองสาวัตถีทันทีโดยพักแรมสิ้นราตรีเดียวในที่ทั้งปวงได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐี เคครูงสาวถีที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ในที่แจ้งพาหิยะทารุจิรรยะได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมได้พูดดังนี้ว่าท่านขอรับบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหน กระผมต้องการจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพ้าหิยะพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบิณฑบาตย่างเราแวบบ้านลำดับนั้นผ้าหิยะทารุจิริยะรีบดวนออกจากพระเชตวันเข้าไปยังกรุงสาวัตถีได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้กําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีผู้หน้าเลื่อมใส ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีอินทร์สงบมีพระไทยสงบทรงบรรลุธรรมะและสมถะที่สูงสุดทรงฝึกฝนแล้วทรงคุ้มครองแล้วทรงสำรวมอินทร์ทรงเป็นพระนาคครันเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าหมอบลงแท้พระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคต์โปรสแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เตื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพาหิยะทารุจิริยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพาหิยะทารุจิริยะดังนี้ว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควร เรากําลังเที่ยวบินทบาทตามละแวกบ้านอยู่แม้ครั้งที่สองพาหิยะทารุจิริยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ ขอพระสุคตโปรสแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ฆ่าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพาหิยะทารุจิริยะดังนี้ว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรเพราะเรากำลังเที่ยวบินทบาทตามละแวบบ้านอยู่แม้ครั้งที่สาพาหิยะทารุจิริยะเด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแ ห, ห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าขา้า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งพาห i y a เธอพึงรักษาอย่างนี้แลเมื่อใด เธอเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้น เธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ลำดับนั้นด้วยพระธรรมเทศนาย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคจิตของพาหิยะทารุจิรรยะจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนพาหิยะทารุจิรรยะด้วยพระโอวาโ ด, ดยย่อนี้แล้วก็เสด็จจากไป เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานโคแม่ลูกอ่อนด้วยขิดพาหิยะทารุจิรรยะจนล้มลงเสียชีวิตขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบินตบาตในกรุงสาวัตถีเสด็จกลับจากบินทบาทหลังจากเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระนครพร้อมกับภิกษุจํานวนมากโดยทอดพระเนตรเห็นพาหิยะทารุจิริยะเสียชีวิตแล้ว จึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจิริยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนำไปเผาและจงทำสถูปไว้เพื่อนโรมจารีของเธอทั้งหลายเสียชีวิตแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจิรรยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนาไปเผา ทำสถูปไว้แล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเผาเร่างพาหิยะทารุจิรรยะและทำสถูปไว้แล้วพระพุทธเจ้าขา่าเขามีคติเป็นอย่างไรมีพบเบื้องหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินตามธรรมที่สมควรแก่ธรรมทั้งไม่ทําให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะปรินิพานแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า พุทธอุทานในนิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีดวงดาวส่องแสงไม่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงไม่มีดวงจันทร์ส่องแสงและไม่มีความมืดเมื่อใดพรามชื่อว่าเป็นมุนีเพราะมีโมนะธรรมรู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อนั้นเขาย่อมหลุดพ้นจากรูปประพบอรูปประพบและจากสุขและทุกข์ ภาหิยะสูตรที่ส0จบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุทานแม้นี้ตามที่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้โพธิวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมโพธิสูตร 2. ทุติยะโพธิสูตร 3. ตติยะโพธิสูตร 4. นิหูหุงกระสูตร 5. พรามณสูตร 6. มหากัสปะสูตร 7. อาชกะลาปะกะสูตร 8. สังคามมชิสูตร 9. ชดินลสูตร 10. พภาหิยะสูตร